จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจผุญสม ท, ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หดูุลาคมพุทธศักราชสอ5พเป็นวันที่ท่านทําหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาวัน เพื่อมาประกอบภารกิจที่สำคัญของจิตใจการมาวัดนี้ก็เป็นเหมือนกับการมาธนาคารเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศเราต้องไปที่ธนาคารเพื่อแลกเปลี่ยนเงินทองเอาเงินที่เราจะต้องเอาไปใช้ในต่างประเทศ เอาเงินไทยไปแลกกับเงินต่างประเทศเพราะเวลาเราไปต่างประเทศเงินไทยนี้ใช้ไม่ได้เราต้องใช้เงินของประเทศที่เราไปดังนั้ น, น, นก่อนที่เราจะออกเดินทางกันเราก็ต้องอเปลี่ยนเงินแลกเงินไว้ถ้าเราเอาเงินไทยไปไปต่างประเทศ ก็จะใช้ไม่ได้ก็จะลำบากยากเย็นอดยาขาดแคลนฉันใดใจของพวกเราก็เหมือนกับผู้ที่จะต้องเดินทางต่อไปภพนี้ชาตนนี้เป็นเหมือนกับประเทศไทยแต่วพหน้าชาหน้านี้เหมือนกับการไปต่างประเทศหล้งจากที่ร่างกายนี้ ใจเราก็ต้องออกเดินทางไปต่างประเทศถ้าเรามีเงินทองติดตัวไปเราก็จะไปอย่างสุขอย่างสบายไปอยู่ที่ไหนก็สามารถที่มีที่อยู่อาศัยมีอาหารมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มเหมือนกับเวลาเราไปต่างประเทศ เรามีเงินต่างประเทศติดตัวไปเราก็ไปพักโรงแรมได้ไปเสื้ออาหารได้ซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าวของต่างๆได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ซื้ อ, อยาได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลได้เพราะเรามีเงินต่างประเทศติดตัวไปเราใจของเราก็เหมือนกันเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจเราก็ต้องออกเดินทางไปต่างประเทศไปโลกทิพย์โลกทิพย์นี้ก็ต้องมีเงินของโลกทิพย์เงินของโลกนี้เอาไปไม่ได้เงินทั้งหลายที่เราไม่อยู่ในในโลกนี้พอตายไปนี้เราเอาติดตัวไปไม่ได้เลยแต่เงินที่เราเอาติดตัวไปได้นี้เรียกว่าบุญบุญนี่แหละเป็นเงินของพวกเรา ที่เราจะได้เอาไปใช้เสด็ต่อไปเวลาที่เราไปเกิดในโลกใหม่ไปโลกทิพย์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีบุญนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะสนับสนุนดูแลเราให้เรามีบ้านอยู่อย่างสุขสบายมีอาหารพร้อมบุญ มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยที่งามที่พิจิตรพิสดารมียารักษาโรคมีแพทย์มีหมอมีพยาบาลมีโรงพยาบาลคอยดูแลเราถ้าเราไม่ทำบุญเราไม่แลกเปลี่ยนเงินทองที่เราไม่อยู่มาเป็นเงินทองสำหรับที่เราจะไปใช้ในโลกทิพในโลกข้างหน้า เราก็จะไปแบบขอทานไปแบบยาจดขอทานในโลกเทพนี้มีชื่อว่าอะไรก็พวกเปรตนี่เนี่ยก็ขอทานเปรตนี่แหละเป็นพวกที่คอยรอรับบุญที่เราส่งไปให้อย่าง đây, เมื่อได้เวลาเราทำบุญแล้วเราก็แบ่งบุญให้กับพวกเปรตพวกที่ไม่ได้ทำบุญในชาตินี้พวกที่ไม่ได้เตรียม เอาเงินติดตัวไปพอไปก็เลยไม่มีบุญที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยอย่ารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเลยก็ต้องไปเป็นเปรตไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณต้องมาคอยรอรับส่วนบุญของผู้ที่มีใจเมตตากรุณาหรือจากญาติสนิทมิสาหาย ที่ยังมีความรักมีความห่วงใ ย, ยอยู่อย่างพวกเราเวลาเราทำบุญเราก็อุทิศบุญนี้ไปให้กับพวกเพดได้เป็นพวกเดียวเท่านั้นที่จะรับบุญได้พวกอ่นนี้เขารับไม่ได้เช่นถ้าไปตกนรกอย่างนี้ก็เหมือนกับไปติดคุกติดตารางเขาก็ไม่ให้ส่งของเข้าไปเขาต้องการให้รับโทษ จากการกระทำบาปทั้งหลายถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานก็หากินเองได้เดรัจฉานก็ไปหากินตามภาษาของเขาได้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็สามารถที่จะหากินได้ด้วยตัวเองถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปเป็นเศรษฐีบุญก็จะมีบุญมากมาย มากกว่าบุญที่เราจะส่งไปให้หลายร้อยหลายพันเท่างั้นบุญของเราจรึงไม่มีความหมายอะไรสำหรับเทวดาดังนั้นผู้ที่จะรอรับบุญได้ก็คือพวกเปรตพวกเปรตนี้ทำยังไงถึงไปเป็นเปรตก็คือเวลาเป็นมนุษย์ที่ไม่ชอบทำบุญหวงเงินโลภอยากได้เงินมากๆ เวลาหาเงินก็หาเงินด้วยวิธีที่ผิดศีลธรรมเช่นรักทรัพย์ชอบโกโกหกหลอกลวงหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพพวกนี้ตายไปก็จะไปเป็นเปรตเพราะว่าไม่ชอบทำบุญหัวเงินหัวทองเสียดายเงินเสียดายทองไม่ยอม จะกอดเงินไว้จะคิดว่าเงินนี้จะเป็นของตนไปตลอดเพราะเลยคิดถึงความตายกันไม่คิดว่าวัน น, นี้ร่างกายต้องตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจของตนนี้ไม่ได้ตายไปด้วยใจของตนก็เลยต้องไปละเหตุเลล่อนไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณถ้าพวกเราไม่อยากจะเป็นเปร เราอยากจะเป็นเศรษฐีบุญเป็นเทวดาเราก็ต้องทาบุญมากๆบุญที่จะทำให้เราเป็นเทวดาได้นี้มีอยู่สองข้อด้วยกันคือหนึ่งทานสองสิงทาทานรักษาสิงถึงจะไปเป็นเทวดาได้ถ้าทำทานอย่างเดียวไม่รักษาสิงไปเป็นเทวดาไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ ต้องไปใช้กรรมก่อนกรรมก็คือไปเกิดในอบายแ ต, แต่ถ้าทำทำทานก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตแต่จะไปเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่เป็นเดรัจฉานที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม น, น่ารักน่าเอ็นดูก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายก็จะเอาไปเลี้ยงดูอย่างดี อยู่กินอย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนเพราะอนิสงส์ที่เกิดจากการได้ทำทานแต่ไม่ได้รักษาศีลแต่ถ้าได้ทำทานได้รักษาศีลด้วยตายไปก็จะได้ไปเป็นเทพไปเป็นการเป็นเทพนี่ก็เป็นเหมือนกับการไปท่องเที่ยวต่างต่างประเทศนี่เองไปสถานที่ต่างๆที่เราอยากจะไป ไปดื่มไปรับประทานอาหารเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่เราอยากจะรับประทานเท่นี้ก็คือผู้ที่ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศที่เป็นที่ไปได้ก็เพราะว่าสะสมเงินไว้นั่นเองมีเงินเท่าไหร่ก็เอามาทำบุญอยู่เรื่อยเอามาเปลี่ยนเงิน ของโลกนี้ให้เป็นเงินของโลกทิพย์พอตายไปก็มีเงินของโลกทิพย์ติดตัวไปก็สามารถไปไหนมาไหนได้จ่ายค่าเครื่องบินได้จ่ายค่าพักที่อยู่อาศัยได้จ่ายค่าทัวร์ต่างๆที่จะพาไปดูไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้นี่คืออนิสง์ของผู้ที่ทำบุญอย่างต่อเนื่องและรักษาศีล ไม่ทำบาปคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปกไม่เสพสุรายามาและอาบายมุกต่างๆเช่นไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นการพนันไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่มีความเกลียดครางนี่คือการกระทำที่จะทำให้ เราได้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์กันได้ไปเป็นเทวดากันถ้าอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าโลกทิพย์คือสวรรค์ชั้นพงสวรรค์ที่สูงกว่าโลกของเทวดาเราก็ต้องทำบุญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งข้อก็คือเราต้องนั่งสมาธิกันทำใจให้สบงบการทีจะทำใจให้สงบก็ต้องรักษาศีแปด ถ้าไม่รักษาสิงแปนี้ก็จะนั่งสมาธิไม่ได้เพราะใจยังอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังอยากจะร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนยังอยากจะเที่ยวออกไปกินเลี้ยงอยากจะรับประทานอาหารข้างอยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรรที่สวยงาม อยากจะดูมอสหอศพและเครื่องบันเทิงต่างๆอยากจะนอนนานๆ น, น, นอนบนฟูกหนาๆถ้าถ้าทําอย่างนี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิกันพอกินอิพอจะมานั่งสมาธิก็ง่วงนอนอยากจะนอนถ้าไม่ง่วงนอนก็อยากจะดูละครอยากจะดูหนัง อยากจะออกไปเที่ยวข้าขงนอกอย่างนั้นถ้าอยากที่จะไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรหมก็จาเป็นจะต้องรักษาศีลแปดให้ได้เช่นวันธรรมดาเรารักษาศีลห้ากันพอวันพระเราก็มารักษาศีลแปกันไปลองสัมผัสกับสวรรค์ชั้นพรหมดูสวรรค์ชั้นพรหมนี้มีความสุข มากกว่าสวรรค์ชั้นเทพถ้าอยู่โรงแรมก็เหมือนเกิดอยู่โรงแรม5ดาวไม่ใช่อยู่โรงแรมสองดาว3ดาว4่ดาวแต่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวมีความสุขมีความสบายมากกว่าโรงแรมระดับ1 2 3 4ส่ดาวนี่คือการไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม ต้องไปด้วยการรักษาศีลแปเช่นวันพระเราก็มาลองถือศีลแปดกันดูหนึ่งวันมางดเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราแล้วก็ละเว้นจากการรับประทานาหาหลังจากเที่ยวันไปแล้วรับรับประทานพอประมาณเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอ รับรองได้ว่าไม่ตายถ้าไม่ได้รับประทานอาหารเย็นเพราะว่ามีผู้ที่เขาปฏิบัติกันมากันอยนมากมายที่ไม่มีใครตายจากการไม่ได้รับประทานอาหารเย็นสิ่งที่ตายก็คือตัณหาความอยากรับประทานอาหารพอเราไม่รับประทานอาหารเย็นความอยากที่จะรับประทานอาหารเย็นมันก็จะตายไปดังนั้น เราไม่ต้องกลัวตายรับรองได้ว่าไม่ตายแต่เราจะมีความสุขมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องมากังวลมาวุ่นวายกับการหาอาหารเย็นมารับประทานกันเมื่อเราไม่รับประทานอาหารเย็นเราไม่เที่ยวเราไม่ดูไม่ฟังมห์ลสบเครื่องบรเทงต่างๆเราไม่หลับนอนมากจนเกินไปหลับนอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็พอ ต่อความต้องการของร่างกายเราก็จะมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิได้เวลาจะนั่งสมาธิเราก็ต้องหาที่สงบถ้าเรามาที่วัดไม่ได้เราก็ต้องหาที่ในบ้านของเราเช่นในห้องพักของเราปิดประตูแล้วเขียนป้ายไว้ว่าห้ามรบกวนเวลานี้จะทำใจให้สงบไม่รับรู้เรื่องราวต่าง วิธีที่ใจจะสงบนี้เราต้องควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วจะเกิดความอยากพอเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความกังวนกวาวกระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุขดังนั้นเราต้องควบคุมความคิดการควบความควบคุมความคิดนี้ก็มีวิธี หลายวิธีด้วยกันวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการบริกรรมพุโทโธให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปถ้าคิดพุโทโธพุธโทโธไปก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอใจไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็ใจสงบ ความอยากความโลภ ก, ก็จะจางไปหายไปพอไม่มีความโลภไม่มีความอยากก็อยู่เฉยๆอย่างมีความสุขใจก็สงบเย็นสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่อยากได้อะไรอันนี้เรียกว่าความสงบที่เกิดจากการเจริญสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธไป เรื่อยๆต้องทำทั้งวันทำตั้งแต่ตื่นจนหลับอยู่คนเดียวอยากอยู่กันหลายคนเพราะถ้าอยู่หลายคนเดี๋ยวก็ชวนกันคุยพอคุยใจก็ต้องคิดพอคิดก็จะไม่ได้พูดโทงพอคิดแล้วใจก็จะฟุ้งซ่านจะเกิดอารมณ์ต่างๆตามมาก็จะทำให้ไม่อยากนั่งสมาธินั่งไม่ได้ แต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆไม่คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ใจก็จะว่าจะเย็นจะสบายเวลานั่งใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่อันนี้เป็นวิธีหนึ่งคือใช้พุโทโธถ้าจะใช้อย่างอื่นก็ได้เช่นจะใช้การสวดมนต์ก็ได้ สวดมนต์ไปภายในใจทั้งวันมีทิพยโสอารหังสัมมาสวาสขาโตส่วดบทที่เราจำได้ไม่ต้องเปิดหนังสือท่องไปภายในใจท่องไปเรื่อยเรื่อยต่อใจจะเย็นพอใจไม่คิดเราก็หยุดท่องก็ได้ให้รู้เฉยเฉยพอใจหยุดคิดเราก็ดูลมหายใจถ้าเรานั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจต่อไปก็ได้ ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอ ย, อย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจเกาะติดอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอ เ, เข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพบกับความสุขของพรงมความสุขของพรงมนี่แหละคือความสุขระดับโรงแรมโรงแรมห้าดาวถ้าเราลองได้พักโรงแรมห้าดาวแล้ว เราจะไม่อยากจะไปพักโรงแรมสี่ดาวสามดาวสองดาวต่อไปเพราะว่ามันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่ได้จากความสงบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่ชนะความสุขทั้งปวงลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงลดแห่งธรรมนี้ก็คือลดของความสงบนี้เองถ้าเราอยากจะ มีความสุขแบบนี้เราก็ต้องรักษาสีแปดต้องเจริญสติการเจริญสตินี้ก็เป็นการทําบุญอีกอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการเจริญสตินี้มีภลมีมีอนิสงส์มีคุณประโยชน์มากกว่าคุณที่เกิดจากการทําทานรักษาสีหารักษาสีแปเพราะจะทําให้ใจได้เข้าสู่ โรงแรมระดับห้าดาวนั่นเองดังนั้นขอให้เราลองทำดูกันสักวันหนึ่งวันพระนี้ขา้าพเจ้าทรงตัดให้พวกเราหยุดการหาความสุขทางโลกไปวันหนึ่งวันและเว้นจากการร่วมหลับนอนกันและเว้นจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลารับประทานมากจนเกินไปไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะเกิดโทษเพราะจะทำให้ใจมีความเกลียดครางมีความม่วงเหงาเหาหนอนเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้จึงต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่หาความสุขจากการหลับนอนแบบบนฟูกหนาๆ ห, หลับนอน น, นามๆ หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พอร่างกายนี้เวลาม่วงนี้นอนตรงไหนก็หลับนอนบนพื้นไม้ก็นอนหลับได้ไม่เดือดร้อนอะไรจึงไม่จำเป็นต้องนอนบนฟูกหนาๆ น, นอนบนพื้นแข็งๆนี่ดีจะได้นอนได้มากพอร่างกายได้พักเต็มที่แล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมาจเจริญสติ มาสวดมนต์มาบริกรรมพุทธโธมานั่นดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็จะเข้าสู่โรงแรมระดับห้าดาวได้ต่อไปแต่การอยู่ในสมาธินี้เป็นการอยู่ได้ชั่วคราวเช่นเวลานั่งสมาธิพอจิตสงบก็จะอยู่ได้สักระยะหนึ่งตอนต้นก็หนาทีบ้าง10บนาทีบ้างต่อไปก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมง ถ้ามีสติมีกำลังมากก็จะสามารถที่จะทำให้ใจสงบได้อยู่ได้นานแต่แม้ว่าจะอยู่นานหรือสั้นก็ต้องออกมาจากสมาธิถ้าอยากจะรักษาความสงบที่เป็นโรงแรมระดับห้าดาวต่อไปเราก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องกลับเข้าไปนั่งในสมาธิวิธีที่จะรักษาความสงบนี้ให้สงบ ก็ต้องเอาคำสอนของพพระพุทธเจ้ามาสอนใจคือสอนว่าความสงบนี้จะอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่มีความอยากถ้ามีความอยากแล้วความอยากนี้จะมาทำลายความสงบเหมือนกับน้ําที่นิ่งถ้าอยากจะให้น้ํานิ่งก็ต้องอยากไปตักน้ำถ้าไปตักน้ําน้ําก็จะกระเพื่อมขึ้นมา เช่นเวลาเราเอาถเอาเอาขันไปตักน้ำในตุ่มน้ำในตุ่มมันก็จะกระเพื่อเป็นลูกคลื่นขึ้นมาใจก็เหมือนน้ำที่นิ่งใจที่มีสมาธินี้ก็เป็นเหมือนน้ำที่นิ่งพอออกมาจากสมาธิถ้าไม่ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนใจพอใจไปเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมา อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานทาั้งๆที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดูต้องฟังต้องดื่มต้องรับประทานถ้าทําด้วยความอยากก็เอาคําสอนของพระเจ้ามาสอนว่าถ้าทําแล้วก็จะตกจากโรงแรมห้าดาวมาสู่โรงแรมสองดาวสามดาวถ้าอยากจะอยู่โรงแรมสัห้าดาวต่อไปก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากดูอยากฟัง ก็เป็นความสุขระดับโรงแรมสดาวสองดาวสู้ความสุขของโรงแรมระดับ5ดาวไม่ได้พอเรามีปัญญามีธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนว่าความอยากนี้จะทําให้ความสุขยุระดับสูงสุดนี้เสื่อมลงไปหรือความสุขที่ต่ําลงมาและเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาด้วย พ่าเป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเช่นเวลาเราดูเราฟังเราก็มีความสุขแล้วพอเราไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเราก็จะมีความทุกข์ตามมาเราก็อยากจะดูเราก็ต้องดูอยู่เรื่อยเวลาที่ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดื่มไม่รับประทานก็จะมีแต่ความหงุดหงิดลำคาญใจมีความทุกข์ความไม่สบายใจ นี่คือความสุขของโรงแรมระดับสองดาวสามดาวสู้อยู่ในโรงแรมระดับห้ดาวต่อไปดีกว่าวิธีจะอยู่โรงแรมระดับ5ดาวก็ต้องสอนใจว่าอยาไปหลงกับความสุขระดับสองดาวสามดาวอย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปดื่มอย่าไปรับประทานยกเว้นเวลาที่จำเป็นจะต้องดืง่มต้องรับประทานเท่านั้นเช่นอะาหารเราก็รับประทานตามเวลา นอกเวลาเราก็ไม่รับประทานเครื่องดื่มถ้าเราต้องการดื่มเพื่อร่างกายไม่ได้ดื่มเพื่อความอยากเราก็ดื่มน้าเปล่าเพราะร่างกายต้องการน้ำเปล่าไม่ต้องการน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสต่างๆสิ่งที่มีสีมีกลิ่นมีรสนี้เป็นความต้องการของความอยากถ้าทำตามความอยากก็จะทำให้ใจวุนว่นวาย จะต้องอยากไปได้เรื่อยเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มก็จะหมดหงุดหงิดใจเช่นคนที่อยากจะดื่มสุราเวลาไม่ได้ดื่มสุราก็จะหมดหงุดหงิดใจเวลาคนคนที่อยากจะดื่มกาแฟพอไม่ได้ดื่มกาแฟก็จะหมดหงุดหงิดลำคาญใจแต่คนที่ไม่มีความอยากดื่มก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีดื่มก็ไม่เดือดร้อนมีดื่มก็ไม่เดือดร้อนเดื่กก็ได้ไม่ดื่มก็ได้ พอไม่ได้ดื่มด้วยความอยากดื่มไปตามเวลาตามความต้องการของร่างกายนี่คือวิธีที่เราจะรักษาความสุขของโรงแรมระดับ5ดาวไว้เวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องใช้ปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าความสุขของใจนี้จะหายไปถ้าเราไปทําตามความอยากต่างๆ ถ้าเราไปอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานแล้วเราไปทําความสุขระดับห้าดาวนี้จะหายไปแล้วเราก็จะได้ความสุขระดับสองดาวสามดาวแทนแล้วเราก็จะต้องเครียดต้องทุกข์เพราะจะต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับความสุขระดับห้าดาวนี้เราไม่ต้องหาเงินหาทองมาใช้มาซื้อของต่างๆให้ความสุขกับเรา เราเพียงแต่อยู่คนเดียวบริกรรมพุทธโธสวดมนตไหว้พระไปทำใจให้สงบเท่านั้นเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเป็นความสุขที่ดีกว่าเราสามารถหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครเราไม่ต้องมีใครมาให้ความสุขกับเรา ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังหาความสุขแบบนี้ได้เวลาไม่สบายเราก็นอนท่องพุทโธพุทโธไปเราก็จะได้ความสงบเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่ได้ไม่สบายแต่ถ้าเราหาความสุขของโรงแรมสองดาวสามดาวนี้ร่างกายเราต้องแข็งแรงต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูต้องฟังได้ต้องเดินต้องรับประทานได้ แต่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ทำไม่ได้แล้วไม่มีใจอยากจะดื่อยากจะรับประทานอยากจะดูอยากจะฟังแล้วเพราะร่างกายมีโรคภัยไข้ขเจ็บเบียดเบียนทำให้ไม่มีอารมณ์อยากจะดูก็ดูดไม่สุขอยากจะฟังก็ฟังไม่สุขอยากจะดื่มอยากจะรับประทานก็ไม่สุขเพราะร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้ แต่ถ้าเรามีความสุขระดับ5ดาวนี้เราไม่ต้อง <Tá>. เราไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะสบายไม่สบายเราก็ยังมีความสุขระดับ5ดาวนี้ได้และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็ยังรักษาความสุขระดับนี้ได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเรามีความสุขระดับ5ดาว เรื่องอะไรเราจะกลับมาความสุขระดับสองดาวสามดาวเช่นเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนกับการมาหาความสุขระดับสองดาวสามดาวนี้เองพราะพุทธเจ้าพระอรหันต์พอท่านได้ความสุขระดับห้าดาวแล้วท่านก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกกับร่างกายไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดลาดจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เราชอบไปอันนี้แหละคือการมามาวัดมาธนาคารมาแลกเปลี่ยนเงินทองของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลเพราะบุญกุศลนี้เป็นเงินที่เราจะใช้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไป เราต้องอาศัยบุญท่านั้นเราถึงจะสามารถเข้าไปอยู่ในโรงแรมระดับหาดาวได้ถ้าเราไม่มีบุญเราก็ต้องไปเป็นขอทานข้างถนนไปอยู่ตามวัดรอให้เวลาคนเขาทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้ถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นก็ขอให้เราพยายามทำบุญให้มากๆทำทานรักษาศีลให้มากๆ นั่งสมาธิให้มากๆเอาคำสอนของพ่อปู่เจ้ามาเตือนใจให้มากๆว่าอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรเพราะจะทำให้ทำลายความสุขที่สูงสุดนี้หมดไปถ้าเราทำได้เราก็จะมีแต่ความสุขระดับ5ดาวไป อย่างที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายมีกันไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปความสุขระดับเอื่นนี้ยังมีวันหมดได้ความสุขระดับพรหมสวรรค์ชั้นพรหมก็มีหมดได้ต้องเสื่อมลงมาเสื่อมจากชั้นพรหมก็เสื่อมมาอยู่ชั้นเทจากชั้นเทก็จะเสื่อมลงมาสู่ภพของมนุษย์ใหม่ก็ต้องมาทุกใหม่มาสร้างบุญสร้างกรรมกันใหม่ ดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้พยายามมาธานาคารคือมาวัดบ่อยๆมามาแลกเปลี่ยนเงินทองให้มากลายเป็นเงินทองที่เราจะได้เอาไปใช้ในเวลาที่เราเดินทางออกจากโลกนี้ไปแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขทั้งในขณะที่อยู่ในโลกนี้และในขณะที่เราจากโลกนี้ไป